ถ้าเวลาบาปแล้วกอ็อยู่ไกลขนาดไหนเาก็ส่งระเบิดไปให้นางนั้นดำรงอยู่ในชาตินั้นสเสวย อ, อิสริยสุขจนสิ้นอายุตายแล้วก็ไปเกิดในดอกประทุมในเทวโลกยังเกิดดอกบัวในเทวดาโดยความเป็นบุุษกลายเป็นเทพผบุตรรูปงามเนี่ยแม้จะไปไหนก็ไปบนกลีบประทุมกลีบบัวเท่านั้นจะยืนก็ยืนบนกลีบบัวจะนั่งจะนอนก็ยืนเดินนั่งนอนบนกลีบบัวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเทพทั้งหลายเทวดาก็เลยเรียกนามเทพบุตรนั้นว่ามหาปฐุมเทพบุตรเทวตรนั้นท่องเที่ยวไปมาในเทวโลกหชั้นเท่านั้นด้วยอนุภาพนั้นนะด้วยบุญเก่าที่ปฏิบัติสมถะวิปัสสนามาเป็นอย่างดีในสมัยพระพุทธเจ้าพนามว่ากัสปะแล้วก็ถวายดอกไม้ของหอมแด่พระประเจกับพระพุทธเจ้าถวายอาหารกรรมานั้นก็ทาให้เที่ยวไปมาบนเทวโลกอยู่นาน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 ว่า อ, อะไรจะทุกข์ถ้าคนหมดบุญไม่มีอีกแล้วนั่นนะเขเรียกว่าผีซ้ำด้ามพลอยทุกอย่างมันวิบัติไปหมดนะ น, นะเรียก ว, ว่าคิดสิ่งใดก็ผิดพลาดไปหมดนะช้ํ <c oughs> ช้ํายังผิดเลยอย่าง น, นั้นนะผิดที่ไม่ช่วยทําอะไรก็พันผิดหมดอ่ะก็โดยสมัยนั้นพระเจ้ากรุงพาราสีพระองค์นี้ก็มีสตรีสองหมื่นนางแม้พระราชาก็ไม่ทรงได้พระโอรสในท้องของสตรีแม้นางหนึ่งเลย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 พระราชาก็ตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่พระมหิเสีพระนางก็ทูลว่าจริงมหาราชสตรีใดกล่าวคําสัตย์รักษาศีลสตรีนั้นพึงได้บุตรเพราะสตรีเว้นจากฮีเรและโอตปะแล้วบุตรจะได้มีจากที่ไหนสตรีที่มีบุญเนี่ยต้องมีศีลจึงจะมีบุตรแต่ถ้าสตรีไม่มีบุญเนี่ยนะก็ไม่มีบุตร แต่ว่าอันนั้นสมัยนั้นนะแต่สมัยนี้ถ้าพวกบุญน้อยๆเนี่ยบุญเต้นไปหมดแต่ประเภทเลี้ยงไม่มีปัญญาจะเลี้ยงในลูกเยอะมากเนี่ย น, นะไม่รู้จะเกิดมาแล้วจะเลี้ยงยังไงแต่นั่ น, นลูกโอยปีละคนปีละคนห ล, นลังจากนั้นนางก็ขึ้นสู่ปร า, าสาทสมาทานศีลห้านึกถึงศีลอยๆเออสมาทานศีลแล้วก็นึกถึงศีลให้บ่อยๆนะเมื่อพระราชิดาผู้มีศีล น, นึกถึงศีลห้า พอมีพระไทยปรารถนาพระราชโอรสเกิดขึ้นอาสนะที่นั่งของเท้าสกะก็หวันว่นไหวไอ้บรรดุกรรมพลศิลาอาจแข็งกระด้งขึ้นมาเลยลำดับนั้นเท้าสกะก็ทรงนึกอยู่ทรงรู้ความนั้นดำริว่าเราจะให้พรคือบดแกราชธิดาผู้มีศีลดังนี้แล้วก็เหาะมาประทับยืนตรงประพักของพระเทวีแล้วตรัสว่าดูก่อนพระเทวีพระองค์ทรงปรารถนาอะไรพระเทวีก็บอกว่า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 เพื่อจะไปบังเกิดเทวโลกชั้นสูงต้องการเลื่อนไปชั้นอะไชั้นยามาต่อไปใช่ไหมก็ขึ้นลงขึ้นลงได้หลายรอบนะถ้าทําบุญไว้เต็มเนยนะแล้วก็เสด็จไปสู่วิมานของมหาปฐมเทพบุตรนั้นตรัสขอว่าดูก่อนพ่อมหาปฐมเจ้าจงไปสู่มนุสโลกเทวบุตรนั้นก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าตรัสอย่างนั้นเลยมนุสโลกมันน่าเกลียดนากนอย่าเลยไปเกิดที่มนุษย์เลยมั้นเกิดที่อื่นเถอะ ท้าวสักกะก็บอกว่าดูก่อนพ่อคนทําบุญในมนุษยโลกแล้วเกิดในเทวโลกนี้เจ้าจงไปเพื่อดํารงอยู่ในมนุษย์โลกนั้นบําเพ็ญบารมีทั้งหลยบารมีทั้งหลายเถิดก็ฉลาดบอกกันนะที่นั่นเขาแหล่งทําบุญกันนะถ้าจะทําบุญก็จะไปทําที่มนุษย์นั่นแหละมหาราชการอยู่ในคันเป็นทุกข์ข้าพราะองค์ไม่อาจเพื่อจะอยู่ในครันยาเลยขอร้องยังไงก็อย่าอยู่ในคันเลยเหมันดูก่อนพ่อ เจ้ามีประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ในขันเล่าด้วยว่าเจ้าได้ทํากรรมโดยประการที่ตนจะเกิดในกลีบปฐมเท่านั้นไปเถิดพ่อเท้าสก่าเขามีบุญนะั้นระลึกชาติให้เบ็ดเสร็จหมดเดี๋ยวไปเกิดในดอกบวกัวไม่ต้องห่วงเทพพระบทนั้นถูกเท้าสักกะตรัสบ่อยๆก็เลยยอมรับคำไอ้ที่ยอมรับไม่ใช่อยากเกิดนะแต่เพราะคําของอะไรและเทพแต่เรียกาว่าเทวดาขอร้องเหมือนกันเถิดเหมือนกับว่า เหมือนกับอะไรนะเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยนะการที่จะไปอยู่ประเทศชายแดนชนบทนี่แม ถ, ถูกพระราชาสั่งแล้วสั่งเล่าจึงยอมไปเหนนะถ้าไปโดยใจตัวไม่ไปโรคเหนกนะต่อแต่นั้นมหาปทุมเทวบุตรก็เคลื่อนจากเทวโลกแล้วก็เกิดในกลีบปทุมในสะบกกรณีใกล้พระเทนศิลาในพระราชอุทยานของพระเจ้ากรุงพราราณสี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 เดือดร้อนก็นเพราะพี่เลี้ยงนี่แหละก็คือสังสารวัตรเนี่ยนะไปอยู่ในตำแหน่งไหนมันก็ทุกข์เหมือนสตรีใดๆให้พระกุมารทรงรู้ทรงเคี้ยวขาชนิยะที่ทรงปรารถนาแล้วที่ปรารถนาแล้วสตรีนั้นย่อมได้ทรัพย์พันหนึ่งแปลว่าใครให้อะไรก็ได้แล้วพระพระโอรสทานหรือเสวยเนี่ยนะได้พันหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวพารณครนพารณสีทั้งสิ้นก็เคลื่อนไหว ชนทั้งปวงก็ส่งบรณฑการตั้งพันไปถวายพระกุมารพระกุมารถูกมหาชนนําสิ่งนั้นนําสิ่งนั้นทูลว่าจงเคี้ยวสิ่งนี้จงสเสวยสิ่งนี้ก็เลยเบื่อละอาด้วยโภชนะหน้าเบื่อเหลือเกินนะนะก็มีแต่เดี๋ยวกินนั่นสิเดี๋ยวกินนี่สิพระกินแล้วต้องจ่ายพันหนึ่งใครก็อยากให้กินแต่นี่แห ม, ม่มันเบื่อที่จะกินะนะแรกๆมันก็อร่อยดีใช่นานๆเข้านานๆเข้ามาําคาญบอกไม่ถูก ก็เลยไปที่สุ้มพระทวารก็เลยเล่นกับก้อนครั้งเป็นเด็กๆนะเล็กๆมานั่งเล่นดีกว่าในครั้งนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอาศัยอยู่ในกรุงพาลณสีพระองค์พระปัจเจกอยู่ที่ป่าอิสติปั ต, ตนะมฤุกขายาวันเนี่ยนะท่านก็ลุกขึ้นตามการทํากิจทั้งปวงมีเนสนาสนวัตบริกรรมร่างกายและเจริญกรรมฐานเป็นต้นออกจากที่หลีกเร้นกอนึกอยู่ว่าวันนี้เราจะไปรับภิกษาที่ไหน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 อีกอย่างหนึ่งยังไม่สำเร็จก่อนอนะคือข้อสุดท้ายเท่า น, นั้นที่ยังไม่สำเร็จข้อแรกอะไรนะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจอันนั้นก็ชาติโน้นแหละอดีตชาติแล้วใช่ชาติหลังมาก็ขอให้เกิดเป็นปทุมก็สำเร็จที่สองให้เป็นบุรุษก็สำเร็จที่สามขอให้บรรลุอมะตะนะก็เหลือข้อสุดท้ายคอือข้อที่บรรลุอมะตะนั่นแหละก็เลยตรัสว่าข้าแต่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 ใครเป็นยังไงบางคนอาจจะไม่รู้นะใครที่เข้างานเลี้ยงบ่อยๆเนี่ยนะโอ้ยมันน่าบเบื่อจะตายเนี่ยนะมันน่าบเบื่อจริงๆอะ่ะก็มาบางช่วงเลยนะบางช่วงเนี่เหนื่อยที่สุดเลยต้องไปฉนะันอีกแล้วเนี่ยนะกลัวจริงๆเลนี่มันชันโอ้ชัน 8, 9, 9, 10, 11, อีกแล้วเนะหรอเนีบเบ่ยนะบางทีก็ฉันแปดโมงเก้าโมงสิบเอดโมงอีกแล้วอเงี้ยโอ้น่าเบื่อมันกันนะบางทีนั่นก็พระอะไรนะ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 ต้องใส่ท่านโกรธเราแน่นอนครับแต่นั้นแม้ชนเหล่านั้นก็ทูลว่าข้าแต่สมมติเทศธรรมดาบรรพชิตนักบวชทั้งหลายเป็นผู้โกรธเป็นเบื้องหน้าหาไม่ได้คือท่านไม่ใช่ว่าเป็นคนมักโกรธหรอกว่าคิดอะไรคำนี้นี่หน่อยหน่อยก็โกรธไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นหรอกย่อมเป็นอยู่ด้วยปัจจัยที่คนอื่นถวายด้วยใจที่เลื่อมใสพระโอรสก็เลยคิดว่าสมณะนั่นคงเป็นอย่างนั้นดูท่าจะเป็นอย่างนั้นแน่ ก็ทูลแด่พระมารดาพระบิดาว่าจับยังพระประเจกกับพุท่เจ้านั้นให้อดโทษเดี๋ยวจะไปขอโทษพระประเจกหน่อยก็เลยทรงช้างไปสู่ปายสิปัตนาจากเมืองพรารณสีเนี่ยก็ไกลโขมกันนะจากเมืองพรารณสีไปปายสิปัตนาเนี่ยนะถ้าเดินก็ครึ่งวันล้มั้งไกลโขนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงช้างไปด้วยอนุภาพพระราชาอันยิ่งใหญ่